วิธีทำสมาธิปัญหาสำคัญต้องรู้ว่าสัมมาสมาธิมีความมุ่งหมายอยู่ที่ตรงไหนแนวทางสำนักใดถูกผิดอยู่ที่เจตนาของผู้ทำอย่างไรเจตนาในการทำที่ถูกจึงถือเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทางแห่งสัมมาสมาธิผลแห่งสมาธิที่ถูก คือเมื่อสงบแล้วอ่านจิตตัวเองได้ถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นว่าเรามีกิเลสตัวไหนมากและควรจะแก้ไขอย่างไรนี้เป็นจุดแรกที่สำคัญการทำสมาธิตามสายท่านพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์มั่นขั้นของสมาธิและวิธีปฏิบัติีนเบื้องต้นขั้นแรก เลือกแนวทางที่เหมาะเช่นรู้ลมหายใจหรือบริกรรมการเริ่งกำหนดจิตกำหนดรู้ความจริงของจิตกำหนดจดจ่อดูลมรู้กองลมหยาบละเอียดวิตกวิจารปิติสุขจนได้อุปจารสมาธิหรือไปถึงอัปปนาสมาธิคือได้ฌาน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 ผู้ที่ภาวนาไม่เป็นให้กำหนดบริกรรมภาวนาตามที่ตนถนัดผู้ที่เคยมีสมาธิทำสมาธิได้เร็วไม่จาเป็นต้องบริกรรมอีกให้กำหนดรู้ลงที่จิตผู้รู้คอยจดจ่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตขั้นแรกจะกำหนดด้วยความตั้งใจเมื่อรู้ทันกันจริงแล้ว